พระบัญญัติหนึ่งัก็ภิกษุณีใดได้รับนิมนต์แล้วบอกห้ามพระทหารแล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องระบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชั้นหลายที่ในมือเดียวกันจบ